ในปี2017นะคะิคดแล้จกได้เปลี่ยนหัวข้อหรือว่าธีมของโบสจากทุกปีเนี่ยตั้งแต่ปี2015 2016เนี่ยเราใช้หัวข้อว่ า, า Care for All พอมาถึงปีนี้เราเปลี่ยนเพราะว่าเราใช้มาสองปีแล้ว Care for All นะคะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราให้หัวข้อคิดวจกให้หัวข้อว่า Love Care uh, Love s h ร์เ s ิ r ์ฟนะคะันแล้วเนี่ยในเดือนนี้ก็เดือนนี้จะอยู่ในทีมเลิฟในเดือนมกราลาเราได้เราได้พูดถึงเรื่องของความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราถึงเดือนกุมภาสิ่งที่เราอยากที่จะมีโอกาสได้เน้นยำ้ำนั่นกนะ็คือเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดนี้แล้วสิ่งหนึ่งก็คือความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราเนี่ย มันไม่ใช่เพื่อหยุดอยู่ที่เราแต่ความรักเนี่ยจำเป็นที่จะต้องส่งออกไปทั้งนอกนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งในชั้นเรียนของเด็กอายุ4แล้วก็8ขวบครูได้ให้คำถามถามเด็กทุกทุกคนว่าความรักหมายถึงอะไร เด็กก็ให้ความแสดงความคิดเห็นซึ่งคําตอบของเด็กๆ เ, เหล่านั้นเนี่ยประธานาธิบใจจริงๆนะคะแล้วก็เด็กคนนึงเขียนว่าความรักเป็นความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกก่อนที่สิ่งไม่ดีจะเข้ามาเด็กอีกคนหนึ่งเขียนว่าถ้าเราต้องการจะเรียนหรือว่ารู้สึกรักมากขึ้นเราต้องเริ่มที่จะรักเพื่อนที่เราไม่ชอบก่อน และก็มีคำตอบสุดท้ายที่เป็นคำตอบที่น่าประทับใจตอบว่าความรักมีสองชนิดคือความรักของเราและความรักของพระเจ้าแต่ทั้งหมดพระเจ้าเป็นคนทำให้เกิดขึ้นเวลาที่จะจะนิยามคำว่ารักเนี่ยมันยากมากจริง ยิ่งถ้าเราคิดถึงมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกความรักในระดับไหนเราจะต้องเจอคำถามอะไรต่างๆมากมายแต่แม้ว่าเราจะนิยามความรักเนี่ยยากแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเพราะว่าความรักเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตแต่ความรักเป็นสิ่งที่นามมาทำมากๆความรักคืออะไรแล้วเราจะนิยามความรักอย่างไรในแบบไหน ไม่ว่าความรักจะถูกนิยามอย่างไรก็ตามการที่เราเป็นคิตชนเป็นความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของความรักเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งแรกที่พระเจ้าให้หัวข้อว่า in and out เพราะว่าสิ่งแรกสุดก็คือ in คือสิ่งที่อยู่ภายในเราความรักมันต้องเริ่มต้นจากข้างในเราก่อน ในพระธรรมยอหนึ่งยอบทที่ี่ข้อเถึงข้อสิบที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะว่าความรักของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่ตาของเราประจักษ์อย่างไรก็คือการที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนทรงเข้ามาในโลกสิ้นพระชนดำรงเราดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั้นแต่ความรักที่ข้าพระเจ้าพูดถึงไม่ใช่เรารักพระเจ้าแต่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเป็นผู้ลบล้างพระอาชญายาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเจ้าทรงสิ้นพระชนทรงตายพระเจ้าทรงรักเราโดยปราศจากข้อแม้จริงแล้วนึกถึงถ้าเราจำได้หนังสมัยก่อนชื่อว่านหนังนีโมอะค่ะนีโมเนี่ย พอเป็นภาคภาษาไทยมันจะมีเพลงที่มากับเพลงนีโมปลานีโมค่ะจำเพลงนี้ได้ไหมคะเป็นเพลงที่พี่บอยโกเสียพงแต่งชื่อว่าเพลงรักแท้เหมือนกันคะว่ารักแท้ไม่มีข้อแมรักแท้อยู่ด้วยกันไปตลอด แสงความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ารักแท้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเพื่อแลกและพระเจ้าก็ให้ความรักกับเราและความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่ทอดทิ้งเราแม้ว่าเราจะอยู่ในพยันตลายใดๆแม้ว่าเราจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนที่ไม่มีใครชอบเราเลยแต่จริงๆแล้วพระเจ้าก็รักเราพระเจ้าไม่ได้เลือก รักเฉพาะคนที่น่ารักแต่พระเจ้ารักคนที่ไม่น่ารักและความรักของพระเจ้าทำให้คนที่ไม่น่ารักปรับปรุงตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเขาได้มีโอกาสเมื่อภายในชีวิตของเขาได้มีโอกาสสัมผัสกับความรักของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือความรักที่ประจักษ์กับเราบนไม้คังเข้น การที่พระเยซูคริสต์ต้องทนทุกทรมานเพื่อที่จะแลกกับชีวิตของเราฉันความรักของพระเจ้าเราเองจำเป็นต้องตระหนักถึงความรักของพระเจ้าว่ามีคุณค่าและมีความหมายอะไรในชีวิตของเราก่อนเพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากความรักได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นให้ถูกเริ่มต้นจากการเรียนรู้ความรักที่พระเจ้าให้กับเรา และเมื่อความรักของพระเจ้ามันเมล็ดแห่งความรักของพระเจ้ามันเริ่มตกอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อมันเริ่มเจริญเติบโตเรารดน้ําพรวนดินและให้มันเล็ดแห่งความรักของพระเจ้าเนี่ยมันเจริญเติบโตมันจะค่อยๆโผล่ออกมาจากดินเป็นต้นอ่อนนั่นก็คือเมื่อเมล็ดนั้นเนี่ยมันได้เน่าเปื่อยมันได้ตก มันได้เข้าใจมันได้ดูดซับเอาแล่ธาตุดูดซับน้ำและแข็งแรงเพียงพอที่จะแตกหน่อออกมาได้และนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเอาตนั่นก็คือหนึ่งยอมบทที่สี่ข้อที่สิบเอ็ดท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้ารักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย ความรักของพระเจ้ามันมีความหมายสำหรับเราแต่จะมีความหมายสำหรับเรามากขึ้นไปอีกเมื่อความรักนั้นได้มีโอกาสออกจากตัวเราออกจากตัวเรามีความหมายว่าเรามีความสุขมากความรักของพระเจ้ามันเอ่อล้นอยู่ในชีวิตของเราจนเราไม่สามารถจะเก็บความรักนั้นเอาไว้ได้เพียงลำพังและเรามันขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก ความรักของพระเจ้าคือความหมายสูงสุดในชีวิตของฉันฉันรักและรับใช้พระคริสต์ผู้ถูกครอบคลุมด้วยความทุกข์ยากพระคริสต์ตรัสว่าเมื่อเราหิวท่านให้อาหารแก่เราเมื่อเราเปืวยกายท่านให้เสื้อผ้าเรานุ่งหง่มเมื่อเราไม่มีที่พักอาศัยท่านก็พาเราเข้าบ้าน ไม่มีใครจะเอาศรัท ธ, ธาของฉันไปได้ดังนั้นจึงไม่มีใครที่จะปฏิเสธสิทธิในการกระทําของฉันไม่มีใครแย่งชิงศรัท ธ, ธาฉันไปได้มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในฉันฉันถ้าไม่มีทางเลือกฉันยอมที่จะถูกข่มเหงและถ้ามันเป็นทางเดียวที่พระคริประสงค์ที่จะให้ฉันอยู่ท่ามกลางประชาชน ฉันก็จะอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ฉันจะไม่ยอมล้มเลิกศรัทธาที่ฉันมีอยู่ฉันพร้อมที่จะใช้ชีวิตของฉันแต่มิใช่เพื่อศรัทธาของฉันฉันไม่มีค่าอะไรเลยแต่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งฉันไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองเลยแต่พระองค์ต่างหากทรงเป็นผู้กระทำในชีวิตของฉันฉันเป็นเพียงดินสอของพระเจ้า เป็นดินสอที่พระองค์ใช้เขียนตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าเขียนโดยทางพวกเราแม้ว่าเราอาจจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ดีหรือสมบูรณ์นักแต่พระองค์ทรงเขียนอย่างวิจิตบรรจงความรักของฉันในองค์พระคริสต์ได้ขุดลึกลงโดยการยอมเสียสละครั้งยิ่งใหญ่จากชีวิตเดิมที่สะดวกสบาย และด้วยเหตุนี้ฉันจึงเรียกการทรงเรียกครั้งนี้ว่าเป็นการทรงเรียกจากส่วนลึกของการทรงเรียกชีวิตของฉันเกิดมาก็เพราะฉันเป็นของพระคริสต์และดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์เท่านั้นข้อความตอนนี้เป็นข้อความของสตรีชาวอัลบาเนียนโดยกาเนิดเมื่อตอนอายุ18เธอตัดสินใจ ออกจากบ้านไปเป็นมิชชันนารีและในวันที่หนึ่งมกราปีหนึเีเธอเดินทางไปอินเดียเพื่อที่จะเป็นซิสเตอร์ฝึกหัดและเธอปฏิญาณว่าเธอจะไม่ยอมจากชีวิตนักบวชเพราะเธอเป็นซิสเตอร์ที่มีความสุขที่สุดในโลกและเธอคนนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหลายท่านก็คงเดาได้คิดว่าเป็นใครคะ แม่ชีเทเรซาเรารู้จักท่านเพราะว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างคนที่ไร้โอกาสในสังคมคนยากจนเป็นแม่ชีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพข้าพเจ้าเคยเดินทางไปที่อินเดียแล้วก็มีโอกาสไปที่เกากาตา แล้วเราเห็นเลยค่ะว่าเกากระตาเป็นป เ, เป็นเมืองหนึ่งในประเทศอินเดียที่ยากจนที่สุดในประเทศอินเดียและนั่นคือที่ที่แม่ชีเทเรซาทำงานอยู่มันศกกะปรกมากจริงๆหมานอนอยู่สุนัขนอนอยู่บนกองขยะที่แบบกองเป็นภูเขาค่ะกลางสี่แยกมีก๊อกน้าคนอาบน้าแปรงฟันกันอยู่กลางสี่แยกมีห้องน้ำที่แบบคน เข้าอยู่กันข้างถนนหนทางนั่นคือสภาพความเป็นอยู่และนั่นคือสภาพของแม่ชีคนหนึ่งที่ตัดสินใจใช้ชีวิตทั้งหมดของท่านเพื่อที่จะรับใช้คนเหล่านี้และท่านบอกว่าแรงจูงใจและพลังทั้งหมดที่ท่านมีเพราะว่าชีวิตของท่านเป็นของพระคริสต์และเพราะความรักของพระเจ้า ที่มีอยู่มากในชีวิตของท่านทำให้ท่านไม่สามารถที่จะทำสิ่งอื่นได้นอกจากทำงานรับใช้คนของพระเจ้าและการรับใช้คนของพระเจ้าสำหรับท่านคือการอยู่ท่ามกลางคนที่ไร้โอกาสในสังคมคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะว่าความรักของพระเจ้ามีความหมายสูงสุดและถ้าความรักของพระเจ้ามีความหมายสูงสุดในชีวิตของเรา เมื่อพระเจ้าเรียกเราเมื่อพระเจ้าปรารานาที่จะให้เราได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นและคนอื่นเหล่านั้นถ้าเรามองดูรอบๆตัวเรามีคนต้องการความช่วยเหลืออีกมากมายและเราอยู่ในสังคมที่ทุกวันนี้เป็นสังคมที่ขาดความรักเป็นสังคมที่เราไม่แน่ใจ ว่าเราสามารถที่จะแสวงหาความรักจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราได้ทุกอย่างมันดูผิวเผินเรารู้จักกันแบบผิวๆบางคนมีเพื่อนในเฟ e บุ๊กเป็นพันๆนคนแต่เขาอาจจะไม่เคยมีเพื่อนสนิทที่อยู่ข้างๆเขาเลยแม้แต่คนเดียวด้วยซ้ำบางคนทั้งชีวิต อาจจะดูเหมือนเป็นคนมีความสุขมากในสายตาของทุกคนแต่เขาอาจจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวมากเมื่อเราได้มีโอกาสแตะต้องชีวิตของเขาแล้วพระเจ้าปรารถนาเมื่อพระเจ้าเมื่อเราได้เรียนรู้ความรักของพระเจ้าและศรัทธาที่เรามีในความรักของพระเจ้ามันต้องมากพอที่จะทําให้เราอยากที่จะทําอะไรที่ดีๆเพื่อคนอื่น ขราพเจ้าเคยบอกน้องหลายๆคนที่มีโอกาสเ ร, รียนพราคัมภีร์ด้วยกันว่าเราสังเกตไหม <c oughs> ให้เราสังเกตตัวเองว่าเวลาที่เราให้ของขวัญเวลาวันคริสต์มาสหรือคริสต์มาสหรือปีใหม่หรือวันเกิดอะคะ่ะเราซื้อของขวัญเยอะแยะแล้วเราก็แจกเพื่อนเราให้เพื่อนเราความรู้สึกความสุขที่เราได้ให้ของขวัญเพื่อน กับเวลาที่เรารู้ว่าเรากำลังจะไปอาจจะไปช่วยเหลือคนที่น้มท่วมอาจจะไปช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคมหรือว่าเด็กกำพร้าเราซื้อของมากมายและเราเออกไปแจกให้กับเขามันเป็นความสุขเหมือนกันทั้งสองอย่างนะคะแต่ความสุขทั้งสองแบบนี้ลึกๆแล้วมันไม่เหมือนกันบางทีเราให้ของขวัญกับอาจจะเป็นเพื่อนที่เรารักคนที่เรารัก เรามีความคาดหวังเจือปนอยู่ในนั้นด้วยบางอย่างไม่มากก็น้อยแต่เวลาที่เราช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาช่วยอะไรเราได้หรือคนที่เรารู้ว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับชีวิตของเขาเลยความสุขมันต่างกันพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้ความสุขของการเป็นผู้ให้ให้โดยที่ไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรกลับคืนให้ เพราะว่าเรามีความสุขที่จะให้เขาบอกว่าความรักที่สมบูรณ์แบบมันเริ่มต้นจากวินาทีที่เรามีความสุขที่จะให้ความสุขที่จะรักโดยที่เราอาจจะไม่ได้รับความรักนั้นตอบเราอาจจะไม่ได้ได้สิ่งดีๆกลับคืนมาแต่เขาบอกว่าต้นไม้แห่งความรักมเมล็ดแห่งความรักมันได้เติบโตในชีวิตของเราแล้ว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้รับอะไรกลับคืนมาหรือเปล่าและอยากให้ความรักที่พระเจ้าสอนเราพระเจ้าบอกว่าเรารักเราเรียนรู้ความรักของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยากได้อะไรจากเราและความรักของพระเจ้าเมื่อเราได้เรียนรู้ความรักของพระเจ้าแล้วในพระคัมภีร์หนึ่งยอนบทที่สี่ข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าเมื่อท่านได้เรียนรู้ความรักของพระเจ้าแล้วจงออกไป แล้วทำอย่างนั้นรักกันและกันศรัทธาของคริสเตียนตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความรักและพันธกิจแห่งชีวิตนิรันดร์ก็คือพันธกิจแห่งความรักรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและทั้งหมดของชีวิตและรักเพื่อนบ้านเหมือนกับที่เรารักตัวของเราเอง เขาพระเจ้าได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งและมีคำถามถามชาวอินเดียคนหนึ่งว่าจะประกาศพระกิติคุณของพระเจ้ากับชาวอินฮินดูเนี่ยอย่างไรอาจารย์ชาวอินเดียถามว่าทำไมคุณถึงต้องการจะประกาศกับคนฮินดูเขาบอกว่าเพราะว่ามันเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูอาจารย์ตอบว่าถ้าคุณปรารถนาจะประกาศ เพราะเป็นคำสั่งของพระเยซูคุณจะไม่มีวันได้ใจชาวฮินดูเลยเพราะคุณพลาดตั้งแต่เจตนาแรกการประกาศควรทำด้วยเจตนาแห่งความรักไม่ใช่เพียงทำตามคำสั่งหากคุณปรารถนาที่จะประกาศมันจำเป็นต้องเริ่มต้นที่ความรักคุณรู้สึกว่าความรักของพระเจ้า คุณทราบซึ้งในพระคุณและความรักของพระเจ้าที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของคุณและคุณมีความห่วงใยมีความรักถึงพี่น้องที่กําลังอยู่ในความทุกข์ยากลําบากของชีวิตคุณจึงอยากจะแบ่งปันความสุขในพระเจ้าให้กับคนอื่นคนที่อินเดียเขาไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูดแต่จะดูสิ่งที่คุณทํา เขาจะดูว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นจริงในชีวิตของคุณหรือเปล่าฉะนั้นถ้าพระกิษตีคุณของพระเจ้าเป็นจริงมันจะเป็นจริงในชีวิตของคุณก่อนถ้าความรักของพระเจ้าดีจริงเขาก็จะเห็นในชีวิตของคุณคนอินเดียก็คงไม่ต่างจากคนไทยเท่าไหร่คนไทยเองก็ต้องการความรัก การประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าอยากให้เริ่มต้นที่ความรักเพราะว่าเรารักเราห่วงใ่เราอยากให้คนได้มีโอกาสรู้จักความรักของพระเจ้าเหมือนที่เราได้รับไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าเราจะไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่รู้เรื่องของพระเจ้าการรู้จักความรักของพระเจ้าแต่เรา เราเองจะต้องเป็นคนที่มองเห็นด้วยว่าความรักของพระเจ้าเป็นจริงเพราะว่ามันเป็นจริงในชีวิตของเราก่อนเรากำลังอยู่ในยุคที่นาเ้าวเพราะว่าคนรักกันน้อยลงกลายเป็นความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์และเวลานี้เป็นเวลาที่คนต้องการความรักที่จริงใจความรักที่บริสุทธิ์ และพระเจ้าก็มอบหมายพันธกิจนี้เอาไว้อยู่ในมือของเราข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเมื่อเราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามันเป็นความสุขจากข้างในและความสุขนี้มันจะต้องถูกถ่ายทอดออกมาข้างนอกในการที่เราได้มีโอกาสทำพันธกิจแห่งความรักของพระเจ้าคนทั้งโลกอาจจะไม่รู้จักเราแต่คนทั้งโลก ต้องรู้จักความรักของพระเจ้าเหมือนที่เรารู้จักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและให้เราได้แต่ละวันในชีวิตของเราให้เราถามว่าวันนี้เราได้ทำให้ใครรู้จักความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราหรือเปล่าขอพระเจ้าเวยพ ร, พร์พรค่ะ